วันนี้บีมีเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดชนบุรีค่ะเป็นเรื่องของพรานยิงนกเรียกว่าต้องผวาไปอีกนานเลยเมื่อออกไปล่าสัตว์ค่ะดันเจอคนที่คล้ายกับผู้ชายมาแอบมองแต่ว่าไม่มีหัว ก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยมองไม่ดีสุดท้ายก็วิ่งตามไปในป่าลึกหวังว่าจะสอบถามผ ง, งะทั้งยืนเลยค่ะพบศพหัวขาดลอยอืดในบ่อน้ำมั่นใจแน่นอนเลยว่าผีของคนที่ตายไปเนี่ยนะคะเฮี้ยนเรียกตามไปดูศพแน่นอน เหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่7กรกฎาคมนะคะที่จังหวัดชนบุรีค่ะศูนย์วิทยุสพหอนองปลือได้รับแจ้งจากชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ชายโทรมาด้วยเสียงตื่นตระหนกตกใจระบุคำพูดบนตื่นเต้น ก็จับใจความได้ค่ะว่าถูกผีหัวขาดหลอกมีศพหัวขาดอยู่ที่บ่อน้ำกลางป่าหมู่ที่เจ็ดตำบลหนองปลืออําเภอบางละมุงนะคะแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าต้องการให้มาตรวจสอบก็เลยประสานไปกับพันตำรวจโททีทัด์ดรุณจันทร์พนัก ง, งานสอบสวนพร้อมด้วยฝ่ายสืบสวนแล้วก็กู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาค่ะเพื่อรุดไปตรวจดู ซึ่งที่เกิดเหตุเป็นป่าชื้นต้องเดินเท้าเข้าป่าไปกว่า100เมตรจนพบกับบ่อน้ำใหญ่เนื้อที่ประมาณ1ไร่ซึ่งเป็นบ่อที่ถูกขุดบ่อเพื่อที่จะขายน้าดินนะคะจนมีน้าขังแล้วก็มีความลึกพอสมควรแล้วก็พื้นที่ลาดชันนะคะหลังจากที่ไปในที่เกิดเหตุแล้วค่ะก็พบศพผู้ชายคนหนึ่งนอนอืดแน่นิ่งอยู่เหนือน้า ก็เลยใช้เชือกนีโรยตัวลงไปเพื่อที่จะนำร่างขึ้นมาท่ามกลางกลิ่นเหม็นรุนแรงโดยพอนำร่างขึ้นมากลับพบว่าไม่มีศีรษะค่ะก็เลยกระจายตัวกันค้นหาก็ประสบความสำเร็จนะคะเมื่อพบส่วนของศีรษะนี่ลอยอืดติดกิ่งไม้อยู่ไม่ห่างนะัก จากการสอบสวนพบว่าผู้ตายสวมกางเกงยีนขายาวเสื้อยืดแขนยาวสีดำใบหน้าเปื่อยยุ่ยจนแทบจะไม่เหลือเขาหน้าอกขวาก็มีรอยสักรูปหัวใจอกซ้ายมีรอยสัก ปีศาจคาบูกินะคะแล้วก็ที่เท้าขวาสวมรองเท้าผ้าใบสีน้ำตาลขนทางด้านของศพเนี่ยนะคะก็พบบัตรประชาชนระบุนะคะว่าชื่อนายจิรายุศีธนุอายุ23ปีรวมทั้งเจอสายชาร์จแบตเตอรี่มือถือแล้วก็พวงกุญแจรถจักรยานยนต์ด้วยแต่ว่าไม่พบบาดแผลใดๆในร่างกายนะคะชาวบ้านคนที่เจอศพเป็นครั้งแรกค่ะเล่าด้วยสีหน้าซีดถอดสีบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพรานล่าน ยิงไปปรุงอาหารวันนี้ก็ออกยิงนกตามปกติแต่ว่าไม่ได้เข้ามาลึกขนาดนี้เรื่องก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กําลังมองหานกอยู่สายตาก็ดันไปเหลือบเห็นมองใครคนหนึ่งยืนแอบอยู่หลังต้นไม้ไม่ไกลมองแล้วก็เหมือนกับคนที่แอบยืนอยู่เนี่ยนะคะมองมาที่ตัวเองด้วยความแปลกใจค่ะก็เลยรีบเดินไปเพื่อหวังจะสอบถามแต่เขากลับเดินหนีไปเรื่อยๆขนาดที่ว่ยวิ่งตามเนี่ยนะคะก็ยังวิ่งหนีอีก ตอนนั้นก็เลยสังเกตเห็นรูปร่างของเขาเลยว่าเป็นผู้ชายแต่ว่ามองยังไงก็ไม่เห็นสีรษะหรือว่าทรงผมแต่ก็ไม่ได้เอกใจนะคะเพราะคิดว่าเออมองไม่ดีเขาบอกว่าผมวิ่งตามเข้าไปทีแรกก็แค่จะถามแต่ว่าตอนหลังเนี่ยซักจะเริ่มโมโหละเพราะว่าวิ่งหนีอยู่ได้ มารู้ตัวอีกทีนึงก็ตามเข้าไปในป่าลึกจนถึงบ่อน้ำพอพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งนะคะก็มองซ้ายมองขวาก็หาเขาไม่เจอแล้วไม่รู้ว่าเข้าไปไหนนะคะก็เลยตัดสินใจว่าจะลงไปล้างมือล้างหน้าในบ่อแล้วก็จะกลับ ปรากฏว่าตอนล้างมือได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงค่ะก็เลยเงยหน้ามองหาต้นตอเมื่อพบเข้าก็ต้องช็อกจนขนลุกเกือบพลัดตกลงไปในน้ำเนื่องจากว่ากลิ่นดังกล่าวเนี่ยลอยมาจากศพที่ขึ้นอืดอยู่ตรงหน้าแถมเป็นศพที่หัวขาดอีกด้วยพอคลานขึ้นมาด้านบนได้ก็รวบรวมสติค่ะโทรศัพท์แจ้งตำรวจ มั่นใจว่าร่างชายคนนั้นต้องเป็นคนคนเดียวกันกับศพแน่นอนเหมือนผีหัวขาดเนี่ยโผล่มาตามให้ผมไปดูศพของเขาพ่านยิงนกพูดให้เราฟังอย่างตื่นเต้นนะคะ ซึ่งต่อมาฝ่ายสืบสวนก็ได้ตรวจสอบไปยังเลขบัตรประชาชนจนพบกับมารดาของผู้ตายค่ะก็พอทราบว่าลูกชายเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ตกใจร่ําไห้ก่อนจะบอกว่าลูกชายหายออกจากบ้านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ไม่รู้ว่ามีใครฆ่าไม่รู้ว่ามีปัญหาขัดแย้งกับใครซึ่งขณะเดียวกันตํารวจยังไม่ฟันธงนะคะว่าถูกฆาตกรรมหรือเปล่ารวมทั้งศีรษะที่หลุดเนี่ยเกิดจากโดนฆ่าตัดคอหรือว่าหลุดเองจากการเน่าเปื่อยกันแน่ก็ต้องรอการชนสูตรศพอีกครั้งแต่พอได้ฟังเรื่องราวนี้ก็ขนลูกไปต่ ตามกันแหละนะคะทั้งตำรวจและก็กู้ภัยค่ะทีนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่บีนำมาเล่าให้ฟังสั้นๆเป็นเรื่องของผีหัวขาดเหมือนกันค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของสาวใหญ่เมืองกรุงเก่ามานอนค้างคืนเฝ้าพี่สาวที่โรงพยาบาลไปเข้าห้องน้ำเพื่อที่จะทำธุระส่วนตัวค่ะไปเจอผีหัวขาด พยาบาลบอกว่ามีคนเคยเจอมาแล้วสองรายพอรู้ว่าเป็นผีแน่ๆนี่เพ่นแนบกลับบ้านทันทีพี่สาวก็พี่สาวเถอะนอนอยู่ตรงนั้นก็ให้คนอื่นเฝ้าไปละกัน เรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นจากนางอำพันธ์สวรรค์ลังกานะคะอายุ58ปีค่ะซึ่งเป็นชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะตนได้พานางพันนีศรีจันทร์อายุ79ปีค่ะพี่สาวไปลอกตาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่อำเภอเสนา แต่ว่าต้องไปนอนค้างคืน1คืนค่ะเพื่อรอลอกตาในวันรุ่งขึ้นโดยทางโรงพยาบาลให้ญาตินอนที่ตึกใหญ่ชั้น6ในห้องคนไข้พิเศษรวมในห้องวันนั้นนี่มีคนไข้นอนเป็นเพื่อนด้วยอีก2คนรวม3มเตียงทั้งหมดเป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะคุณอำพันค่ะบอกว่าเกือบสองทุ่มเนี่ย ดิฉันลุกจากเตียงไปเข้าห้องน้ำพอเปิดประตูไปก็เจอผู้ชายร่างผอมใส่เสื้อคอกลมสีชมพูกางเกงขายาวสีดำตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเป็นผีหรอกแต่เมื่อหันไปมองที่เตียง หันกลับมาอีกทีนึงก็ต้องช็อกนะเพราะว่าผู้ชายคนนั้นยืนอยู่คู่กับผู้หญิงสาวหัวขาดเหมือนกันใส่เสื้อลายนุ่งผ้าถุงมือขวาของผู้ชายยังหิ้วหัวของผู้หญิงสาวอีกด้วยนางอัมพันธ์กล่าวค่ะบอกว่าพอตั้งสติได้ก็วิ่งออกไปถามพยาบาลหน้าห้อง ก็เลยได้ทราบเรื่องนะคะว่ามีคนเคยเจอผีสองผัวมเมียคู่นี้เนี่ยมาสองรายแล้วซึ่งตัวเองก็เชื่อว่าต้องเป็นผีแน่นอนก็เลยทิ้งญาติไว้ที่ห้องแล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์กลับบ้านทันทีเลยนะคะแม่รับกรรมไปเนาะคุณยายเนาะนะคะคุณพันนีสีจันเจ็ดปีละนะคะว่าจะมีน้องสาวมนอนเป็นเพื่อนหน่อยดันเจอผีหลอกทำไงได้หละเนาะคนมันกลัวนี่นะคะ ยังมีเรื่องราวของผีหัวขาดอีกนะคะทีนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนงานก่อสร้างค่ะออกหาของป่าไปเจอผีหัวขาดยืนหิ้วหัวรุ่งขึ้นหัวโกรนอีกนะคะเจอเต็มๆ เ, เลยกลางป่าค่ะ เรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นที่จังหวัดชนบุรีเหมือนกันคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่สุดสยองเล่นเอาคนงานก่อสร้างเกือบช็อกตายค่ะที่เมื่อพบศพชาวลาวผูกคอตายที่เสียชีวิตมานานกว่าหนึ่งเดือนกลางป่าใกล้กับทางเลียบมอเตอร์เวย์ชนบุรีในสภาพหัวหลุดอยู่กับพื้นนะคะเบื้องต้นอาจจะเกี่ยวข้องกับการผลักดันแรงงานต่างด้าวซึ่งร้อยตำรวจเอกไพฑูรยเกลียงกรเดชรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจปูทรเมืองชนบุรีก็ได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตจากการผูกคอตาย ภายในป่าคอยใกล้ด่านเก็บเงินนะคะที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จบนถนนมอเตอร์เวย์หมู่ที่สองตนนําบลหนองรีอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีคะ่ะก็เลยได้ประสานทีมแพทย์เข้าพิสูจน์ศพแล้วก็รีบรุดไปพร้อมกู้ภัยธรรมรัศมีมณีรัต โดยไปถึงเนี่ยก็พบสภาพศพเนี่ยว่าแห้งจนติดกระดูกแล้วพิงอยู่กับต้นคอยทราบชื่อคือนายพัน์อบมาลายอายุ58ปีสัญชาติลาวนอกจากนั้นยังพบศีรษะเนะคะว่าตกไปอยู่กับพื้นดินอีกทั้งยังได้พบเชือกสีดำที่ผูกอยู่กับต้นคอยที่เป็นเหตุการณ์ตายในครั้งนี้จากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยการต่อสู้ค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ากว่า30วัน จากการสอบสวนในทองสุกนะคะอายุ38ปีซึ่งเป็นชาวจังหวัดกาะสินคนงานก่อสร้างด่านเก็บเงินหนองรีซึ่งเป็นผู้พบเห็นคนแรกเนี่ยก็เล่าให้ฟังค่ะว่าก่อนหน้านี้ในช่วงกลางคืนนะตนได้เห็นมีคนเดินวนเวียนอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีคนตายก็ยังไปบอกกับคนงานด้วยบอกว่าเจอผีหัวขาดหิ้วหัวแต่ว่าไม่มีใครเชื่อ จนในวันนี้เนี่ยเข้าป่าเพื่อหากระรอกแล้วก็ได้มาเจอหัวของคนตายแทบช็อกเลยแหละค่ะรีบหนีออกมาจนตั้งสติได้ก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยให้มาดูแล้วก็ศพของผู้เสียชีวิตดังกล่าวเนี่ยนะคะเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เปิดเผยมีภรรยามาแสดงตนว่าเป็นสามีที่ออกตามหามานานนับเดือนแต่ก็ไม่ยอมบอกสาเหตุถึงการออกมาจากบ้านซึ่งคาดว่าผู้ตายอาจจะกลัวในเรื่องของการผลักดันแรงงานต่างด้าวก็เลยตัดสินใจผูก คอตายซึ่งจะทำการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปว่าถูกฆ่าตายหรืออย่างไรนะคะ เรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องผีหลอกอะไรมากมายที่เรานํามาเล่าให้ฟังแต่ว่าเรื่องนี้นะคะก็ยังคงยืนยันเกี่ยวกับเรื่องของโลกหลังความตายได้เป็นอย่างดีว่าเรื่องของการตายนั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเพราะว่ากายหยาบของเราแม้จะสูญสิ้นไปแต่ว่ากายละเอียดก็คือวิญญาณ น, นั้นยังคงอยู่ด้วยแรงกรรมด้วยการฆ่าตัวตายหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะคะด้วยความห่วงหาอาธรก็ยังคงมาปรากฏร่างให้กับคนอื่นๆได้มองเห็น ว่าตัวเองตายอยู่ที่นี่หรืออาจจะมีเจตนาอื่นมาเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือก็เป็นได้เหมือนกันนะคะเรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี 2,535 นะคะเป็นเรื่องของคุณเพชค่ะที่เข้ามาทํางานในกรุงเทพนะคะแล้วก็มาเจอผีหัวขาดแถวรามคาแหงนะคะ ค, คุณเพชบอกว่ามีประสบการณ์ เรื่องผีจะเล่าให้ฟังซึ่งก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีลางสังหรณ์ก็เป็นได้เหมือนกันเพราะว่าทุกครั้งที่จะเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นเนี่ยก็จะมีลางสังหรณ์บอกให้รู้แต่ไม่บอกตรงๆเช่นไปนั่งกินเหล้าบ้านเพื่อนลูกของเพื่อนกําลังถีบ3าล้อเด็กเล่นอยู่ข้างๆวงเล่าคําว่ากินเหล้าก็ไม่ใช่กินจนเมามายคุณเพชรบอกตามต่างจังหวัดมีเพื่อนมีฝูงมาหาก็ยกข้าวมาให้กินพร้อมกับเหล้าซึ่งปกติคุณเพชรบอกผมไม่ใช่นักดื่มนะครับแต่ว่าอ่า กับเพื่อนก็ดื่มกันนิดหน่อยพอไม่ให้น่าเกลียดหรือว่าพอเป็นพิธีเท่านั้นแต่ก็น่าแปลกที่มองไปยังลูกของเพื่อนที่เล่นรถ3ล้ออยู่เห็นเป็นผู้หญิงแต่งชุดไทยผมยาวนั่งอยู่แทนที่จะเป็นเด็กของลูกเพื่อนแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังมองไปเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อนั้นจนแน่ใจว่าไม่ใช่ละไม่ใช่เพราะดื่มเหล้าละ อีกแค่อึกสองอึกแน่นอนเพราะว่ากินแค่นี้มันทำให้ตาไม่ลายแน่นอนแต่เห็นจนชัดเจนไม่กล้าหันไปมองเพราะว่าเกิดอาการกลัวขึ้นมานะคะแต่ว่าในใจนึงก็สงสัยค่ะว่าเออเราตาฝาดไปหรือเปล่านะ่าถ้าตาฝาดคงจะไม่เห็นชัดแล้วก็เห็นนานขนาดนี้ก็เลยมั่นใจค่ะว่าไม่ได้เกิดจากการตาฝาดแน่ บ้านเพื่อนกับบ้านของคุณเพชรเนี่ยพักอยู่ไม่ไกลกันนักนะคะซึ่งบ้านพักของคุณเพชรบอกว่ามีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึง่งชอบขึ้นไปนอนเล่นที่กิ่งใหญ่มาก คือคุณเพชบอกว่าที่ชอบขึ้นไปนอนเนี่ยก็เพราะว่ามันมีร่มเงาคล้มแล้วก็เอาเปลเนี่ยขึ้นไปผูกไว้ตรงแยกกิ่งมีที่นอนได้สบายด้วยบางครั้งถึงกับหลับไปเลยไม่เคยตกลงมาแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็ไปนอนเปลเนี่ยก็ไม่เคยที่จะขาดหรือว่ามีอะไรมารบกวนนะคะตรงข้ามต้นไม้ใหญ่ก็จะมีกอไผ่ดกหนาใกล้ๆกันก็มีแคร่ให้นั่งตากลมเย็นๆมีคนงานไปสร้างไว้สําหรับนั่งคุยกันยามเลิกงานมีอยู่วันนึงค่ะ วันนั้นคุณเพชรนั่งคุยกับเพื่อนจนดึกกะว่าจะนอนตรงนั้นเลยเพราะว่าลมเย็นสบายยุงก็ไม่มีเพื่อนล้มตัวลงนอนก่อนไม่นานก็หลับไปส่วนคุณเพชรก็เลยนอนลงบ้างแต่ว่านอนยังไม่ทันจะหลับค่ะก็เลยลุกขึ้นมานั่งดูดบุหรี่แก้เซงไปท่ามกลางความเงียบเชียบของราตรีมีเสียงมแมลงกลางคืนร้องระงมน่าวังเวงใจคุณเพชรก็เลยมองไปรอบๆมองเรื่อยๆ พลางในใจก็คิดอะไรเรื่อยเปื่อยคะ่ะคิดว่าดูดบุหรี่หมดมวนจะหลับนอนสถทีซึ่งขณะนั้นเองคุณเพชรบอกผมมองไปทางกอไผ่ที่มืดคลึ้มอยู่ก็มีอะไรบางอย่างในี่เคลื่อนไหวหน่าสะดุดตาครั้นจ้องมองครู่หนึ่งก็เห็นคนเดินสูบบุหรี่มาก็เลยแน่ใจละ ว, ว่าเป็นเพื่อนที่ทำงานด้วยกันที่ยังไม่นอนแน่ๆ คุณพระช่วยเมื่อร่างนั้นเดินใกล้เข้ามาผมตกใจจนตัวแข็งทื่อขนหัวลุกเกลียวรู้สึกเหมือนผมทุกเส้นตั้งชันเพราะเห็นได้ถนัดชัดเจนนะะว่าคนที่เดินมาหานั้นเนี่ยไม่มีหัวนรกเป็นพยานได้เลยคุณเพชรบอกมือมันหิ้วหัวร่องแรงอยู่ข้างกายที่ดำทมึนปากเจ้ากรรมนั้นเนี่ยมันก็ดูดบุหรี่อัดควันแดงว่าบว่าไปด้วย ด้วยความตกใจกลัวนะคะคุณเพชรก็เลยแผดเสียงแสบแก้วหูหมอบก้นโดงเอาหน้าซุบพื้นเพื่อนก็เลยตกใจสะดุ้งตื่นค่ะคื อ, อตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นท่าทางของคุณเพชรนี่ยอยู่ในอาการที่แปลกๆเรียกได้ว่ า, ากลัวลนลานมีการมุดมีการาเพ้อต่างๆนาๆนานะคะก็เลยเรียกคุณเพชรนี่จนได้สติก็ร้องแต่ว่าผีหลอกผีหลอกเพื่อนก็เลยถามว่าผีอยู่ที่ไหน ก็เลยชี้ไปที่ข้างกอไผ่ปรากฏว่าที่นั่นมีแต่ความว่างเปล่าตามเดิมค่ะปีศาจที่หิ้วหัวของมันมาหาเมื่อครู่ก่อนเนี่ยมันหายไปซะแล้วตกลงนค ะ, ะว่าไม่ได้นอนในนั้นในคืนนั้นก็ไม่รู้ว่ากี่โมงกี่ยามเนค ะ, ะตกใจจนขวัญห น, นิดีฟอแต่ว่าในความรู้สึกของคุณเพรบอกมันกลัว กลัวเอาการจริงๆไม่มีอะไรน่ากลัวขนาดนี้นะคะรุ่งเช้าพอไปทํางานก็เลยมีโอกาสเล่าให้อาจารย์ในวัดฟังพระท่านก็เลยบอกว่าบริเวณกอไผ่นั้ น, นมันมีคนฟันกันคอขาดตายเมื่อ2ปีมาแล้วเคยมีคนเห็นเหมือนกันแต่ว่านานๆครั้งส่วนผู้หญิงผมยาวที่เห็นบน3ล้อเด็กลูกของเพื่อนนั้นเนี่ยเป็นนางไม้ที่อยู่บนต้นไม้ใหญ่ที่เคยขึ้นไปนอนเล่นนั่นเองนางไม้ผู้นีน้จะติดตามไปเพื่อบอกลางร้ายลางดีให้เราได้ทราบทางที่ดีก็ควรจะ ทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลให้เขาพระอาจารย์ท่านก็ยำ้ำโดยมากบรรดาพูดผีมักจะปรากฏร่างให้เห็นหรือว่าส่งเสียงให้ได้ยินอย่างไรก็ตามนะคะจุดประสงค์ก็คือต้องการขอส่วนบุญส่วนกุศลจากมนุษย์ทั้งนั้นการทำบุญกรวดน้ำให้จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะเรื่องก็มีอยู่แค่นี้นะคะคุณผู้ฟังฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยหมดเวลาของพระเจอผีประจาวันนี้แล้วนะคะขอบคุณสาหรับการติดตามรับฟังเดี๋ยวเรา มาติดตามกันต่อไปในคลิปหน้านะคะว่าจะมีเรื่องราวน่ากลัวอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ